สุวรรณสามชาดกว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีสุวรรณสามโพธิสัตว์ไม่ทันเห็นพระราชาจึงตรัสว่าใครกันหนอใช้ลูกศรยิงเราผู้ประมาทกันมังนำน้ำไปอยู่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์คนไหนแอบซุ่มยิงเราสุวรรณสามโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงว่าเนื้อที่ร่างกายของตนไม่เป็นอาหารจึงตรัสว่า เนื้อของเราก็ไม่ควรจะกินหนังของเราก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรหนอเขาจึงเข้าใจว่าเราเป็นผู้ควรยิงสุวรรณสามโพธิสัตว์ตรัสถามชื่อพระราชานั้นว่าท่านเป็นใครเป็นบุตรของใครเรารู้จักท่านได้อย่างไรสหายเราถามแล้วขอท่านจงบอกเถิดทําไมท่านจึงสุ่มยิงเราพระเจ้าปินระยักษตรัสตอบว่า เราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนทั้งหลายรู้จักเราว่าพระเจ้าปินรลยักษ์เพราะความโลภเราจึงละทิ้งแคว้นมาเที่ยวสแสวงหาเนื้อเราเป็นคนเชี่ยวชาญในศิลปะธนูเรื่องเลือว่าเป็นผู้มีความสามารถยิงธนูที่ต้องใช้กำลังคนถึงพันคนได้แม้ช้างที่มาถึงระยะที่ลูกสรยิงก็ไม่พึงพ้นเราไปได้ พระเจ้าปินลยักษ์ตรัสถามชื่อและโคดของสุวรรณสามโพธิสัตว์ว่าท่านเป็นใครเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านจงประกาศชื่อและโคดของบิดาและตัวของท่านเองให้ทราบด้วยสุวรรณสามโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นบุตรของนายพรานพวกญาติต่างเรื่องข้าพระองค์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่าสาวันนี้ ข้าพระองค์นั้นเข้าไปในป่าแห่งความตายจึงนอนอยู่อย่างนี้ข้าพระองค์ถูกพระองค์ยิงด้วยสนลูกใหญ่อาบยาพิษเหมือนยิงเนื้อข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์ผู้นอนเปื้อนเลือดของตนขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรลูกสนที่ทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตเป็นผู้กระสับกระสายขอทูลถามพระองค์ว่าทาไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์ เสือเหลืองถูกฆ่าเพระหนังช้างถูกฆ่าพระงาเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงข้าพระไทัยว่าฆ่าพระองค์เป็นผู้ที่ควรยิงพระเจ้าปินระยักษ์ตรัสแก้ตัวว่าเนื้อปรากฏมาถึงระยะลูกศรแล้วท่านสามมันเห็นท่านแล้วจึงแตกหนีไปเพราะฉะนั้นเราจึงโกรธสวรรณสามโพธิสัตว์กราบทูลว่าตั้งแต่ฆ่าพระองค์จำความได้ ตั้งแต่ข like. ้าพระองค์รู้จักรับผ <sp> ิดชอบฝูงเนื้อในป่าแม้จะเป็นเนื้อร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์นุ่งเปลือกไม้อยู่ในปฐมวัยฝูงเนื้อในป่าแม้จะเป็นเนื้อร้ายแต่ก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ข้าแต่พระราชาฝูงกินนอนผู้ขลาดกลัวที่ภูเขาคันธมาศเราทั้งหลายต่างเพลิดเพลินกันไปสู่ภูเขาและป่าฝูงเนื้อแม้จะเป็นเนื้อร้ายในป่า ก็ไม่สะดุ้งกลัวข่าพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรฝูงเนื้อจึงจะสะดุ้งกลัวข่าพระองค์เล่าพระเจ้าปินระยักษ์ได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าท่านสเนื้อหาได้สะดุ้งกลัวท่านไหมเรากล่าวเท็จแก่ท่านต่างหากเราถูกความโกรธและความโลภครอบงำจึงได้ปล่อยลูก้อนนั้นไปถึงท่าน 3. ท่านมาจากไหน ใครใช้ท่านมาว่าท่านจงไปยังแม่น้ํามิคสะสมมาตาแล้วตักน้ํามาสุวรรณสามโพธิสัตว์ได้อดกลั้นทุกขเวทนาแสนสาหัสกราบทูลว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นอยู่ในป่าใหญ่ข้าพระองค์จะไปตักน้ํามาให้ท่านทั้งสองนั้นจึงมายัางแม่น้ํามิคสะสมมาตา สุวรรณสามโพธิสัตว์กล่าวบนเพลรมพันถึงมารดาบิดาว่าท่านทั้งสองนั้นมีเพียงอาหารเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะพึงมีชีวิตอยู่ได้เพียงหกวันเพราะไม่ได้น้ำท่านผู้ตาบอดทั้งสองเห็นจากตายแน่ข้าพระองค์ไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เช่นนี้คนพึงได้รับเหมือนกันแต่ความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้พบมารดาเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของหม่อมฉัน ข้าพระองค์ไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เช่นนี้คนพึงได้รับเหมือนกันแต่ความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้พบบิดาเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของหม่อมฉันมารดานั้นจะร้องไห้อย่างน่าสงสารเป็นเวลานา น, านจนเที่ยงคืนหรือตลอดคืนจะสูบซีดลงเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูร้อนเหือดแห้งไปบิดานั้นจะเป็นทุกข์ลำบากแน่เป็นเวลานาน จนที่ยงคืนหรือตลอดคืนจะซูบซีดลงเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูร้อนเหือดแห้งไปมารดาและปิดาทั้งสองจักเที่ยวบน่นเรียกหาข้าพระองค์ว่าพ่อสพ่อส า, อสาในป่าใหญ่เพื่อต้องการปรนนิบัติเท้าและเพื่อต้องการบีบนวดมือและเท้าด้วยความพยายามถึงความโศกนี้เป็นลูกสอนที่สองทหัวใจของข้าพระองค์ให้สะท้านหวั่นไหว ความโศกใดที่ข้าพระองค์ไม่ได้พบมารดาและบิดาทั้งสองผู้ตาบอดเพราะความโศกนั้นข้าพระองค์เห็นจะต้องเสียชีวิตไปพระเจ้าปินระยักษ์ทรงฟั ง, ฟงคําเพ้อรำพันของสุวรรณสามโพธิสัตว์ทรงสนิษฐานแล้วตรัสว่าท่านสามผู้เห็นกัลยาณธรรมท่านอย่าคร่ำครวญไปนักเลยเราจะทําการงานเลี้ยงดูมารดาและบิดาของท่านในป่าใหญ่ เราเป็นคนเชี่ยวชาญในศิลปะธนูเลื่องลรอว่าเป็นผู้มีความสามารถยิงธนูที่ต้องใช้กำลังคนถึงพันคนได้เราจะทำการงานเลี้ยงดูท่านทั้งสองในป่าใหญ่เราจะแสวงหาของที่เป็นเดงนของฝูงเนื้อและมูลพลาผลในป่าจะทำงานเลี้ยงดูท่านทั้งสองในป่าใหญ่ท่านสมมารดาและบิดาของท่านอยู่ป่าไหนเราจะเลี้ยงดูมารดาและบิดาของท่าน ให้เหมือนอย่างที่ท่านได้เลี้ยงดูมาสุวรรณสามโพธิสัตว์กราบทูลบอกขนทางว่าขอเดชะหนทางที่เดินไปได้คนเดียวที่มีอยู่ทางศีรษะของข้าพระองค์นี้พระองค์เสด็จไปจากที่นี้สิ้นระยะทางประมาณกล่งโกสะ <c oughs> ก็จะเสด็จถึงเรือนหลังเล็กๆซึ่งเป็นที่อยู่ของมารดาและบิดาทั้งสองของข้าพระองค์ขอพระองค์เสด็จไปจากที่นี้แล้ว จงเลี้ยงดูมารดาและบิดาของข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระเจ้ากาสีข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ประดุงรัฐกาสีให้เจริญข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาเลี้ยงดูมารดาและบิดาพู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้ากาสีข้าพระองค์ขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระองค์ ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์แล้วขอได้โปรดทรงพระกรุณาตรัสบอกการกราบลากับมารดาและบิดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าสุวรรณสามผู้หนุ่มแน่นเห็นแก่กัลยาณธรรมครั้นได้กราบทูลคานี้แล้วถึงกับสลบแน่นิ่งไปเพราะกำลังยาพิษพระราชานั้นทรงคร่ำครวญเป็นที่น่าสงสารอย่างมากว่า เราเข้าใจว่าจะเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตายเราได้เห็นสามบัณฑิตตายวันนี้จึงได้รู้ความแก่และความตายแต่ก่อนหาได้รู้ไม่ความตายจะไม่มาถึงเป็นไม่มีสามบัณฑิตถูกลูกสรนอาบยาพิษเสียบแทงแล้วตอบโต้กับเราอยู่แท้ๆครั้นการล่วงเลยไปวันนี้เองเขาพูดอะไรอะไรไม่ได้เลยเราจะต้องตกนรกเป็นแน่ ในข้อนี้เราไม่มีความสงสัยเพราะในเวลานั้นเราได้ทำบาปอัญญาบช้าไว้ตลอดราตรีนานเมื่อเรานั้นอยู่ในบ้านเมืองกระทํากรรมชั่วก็จะมีคนกล่าวติเตียนแต่ในป่าหาผู้คนไม่ได้ใครเล่าควรจะกล่าวติเตียนเราคนทั้งหลายประชุมกันในบ้านต่างก็เตือนกันและกันให้ระลึกถึงกรรมส่วนในป่าที่หาคนไม่ได้ ใครหนอจะเตือนเราให้ระลึกถึงกรรมนางเทพธิดาที่ภูเขาคันธมาศนั้นได้อันตรธานไปเพื่ออนุเคราะห์พระราชาจึงเลือกกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทรงทํากรรมชั่วอย่างใหญ่หลวงแล้วมารดาและปิดาและบุตรรวมสามคนผู้หาความผิดมิได้พระองค์ทรงฆ่าแล้วด้วยลูกศรลูกเดียว เชิญเสด็จมาเถิดมอมฉันจะแนะนำถวายพระองค์โดยประการที่พระองค์จะพึงมีสุคติคือพระองค์จงทรงเลี้ยงดูท่านทั้งสองผู้ตาบอดในป่าโดยทําเถิดดิฉันเข้าใจว่าพระองค์จะพึงไปสุคติพระราชานทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารเป็นอันมากจึงทรงถือเอาหม้อ น, น้ำบายพระพักเสด็จหลีกไปทางทิศทักษิณทุกูลและบัณฑิต ได้ยินเสียงฝีพระบาทแห่งพระเจ้าปินรยักษ์จึงถามว่านั่นเสียงใครเดินมานั่นไม่ใช่เสียงฝีเท้าของพ่อสามท่านผู้นิรทุกท่านเป็นใครกันหนอเพราะพ่อสามเดินเงียบกริบวางเท้าเรียบนั่นไม่ใช่เสียงฝีเท้าของพ่อสามท่านนี้ระทุกท่านเป็นใครกันหนอพระเจ้าปินรยักษ์ประทับยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาตรัสว่า ข้าพเจ้าเป็นพระราชาของชาวกาสีคนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่าพระเจ้าปินละยักษ์เพราะความโลภข้าพเจ้าจึงละทิ้งแคว้นมาเที่ยวแสวงหาเนื้อทั้งข้าพเจ้าเป็นคนเชี่ยวชาญในศิลปะธนูเรื่องเลวรว่าเป็นผู้มีความสามารถยิงธนูที่ต้องใช้กำลังคนถึงพันคนได้แม้ช้างที่มาถึงระยะลูกศรญิงก็ไม่พึงรอดพ้นไปได้ฝ่ายทุกุลบัณฑิต เมื่อจะทำปฏิสันฐานกับพระเจ้าปินระยักษ์จิงทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วไม่ได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้เป็นใหญ่ได้เสด็จมาถึงแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีอยู่ในที่นี้เถิดข้าแต่มหาราชผลมะพร้าวผลมาหาดผลมะ้างและผลหมากเมาซึ่งเป็นผลไม้เล็กน้อยขอพระองค์ทรงเลือกสวยแต่ที่ดีๆเถิด ข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์ทรงดื่มน้ำเย็นนี้ที่ข้าพระองค์ตักมาจากซอกเขาเถิดถ้าพระองค์ทรงพระประสงค์พระเจ้าปิรยักษ์ตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดไม่สามารถจะเห็นอะไรๆในป่าได้ใครเล่าหนอนำผลไม้มาให้ท่านทั้งสองการเก็บสะสมผลาผลที่ทำไว้อย่างเรียบร้อยนี้ย่อมปรากฏแก่เราเหมือนการเก็บสะสมของคนตาไม่บอด ทุกูรละบัณฑิตได้ฟังพระดำรันนั้นเมื่อจะแสดงธรรมจึงกราบทูลว่าสามหนุ่มน้อยร่างสันทั์ผู้เห็นแก่กัลยาณธรรมมีผมยาวดำสนิทมีปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเธอนั่นแหละนำผลไม้มาบัดนี้ถือหม้อน้ำจากที่นี้ไปตักน้ำอย่างแม่น้ำเข้าใจว่าใกล้จะกลับแล้วพระเจ้าปิระยักษ์ครั้นสดับดังนั้นจึงตรัสว่า ข้าพเจ้าเดียกข้าสามกุมารผู้บำรุงบำรเรอท่านผู้เห็นแก่กรยานธรรมที่ท่านกล่าวถึงแล้วเขามีผมยาวดำสนิทมีปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนถูกข้าพเจ้าฆ่าแล้วนอนอยู่ที่หาดทรายที่ปเปื้อนไปด้วยเลือดนางปาริกาได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วประสงค์จะทราบเหตุจึงถามว่าท่านทุ ก, กู ล, ลบัณฑิตท่านปรึกษากับใครที่บอกว่า พ่อสามถูกข้าพเจ้าฆ่าแล้วใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่าพ่อสามถูกฆ่าแล้วเพราะได้ยินว่าพ่อสามถูกฆ่าใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเหมือนใบอ่อนของต้นอัศวพลึกถูกลมพัดไหวไปมาทุ ก, กุลละบัณฑิตให้โอวาดนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากรุงกาสี พระองค์ทรงยิงพ่อสามด้วยลูกศรเพราะความโกรธที่ฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าได้มุ่งร้ายต่อพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่น่ารักผู้ซึ่งได้เลี้ยงดูเราทั้งสองคนผู้ตาบอดในป่าเราได้มาโดยยากฉะนั้นจะไม่พึงทำจิตให้โกรธในคนผู้ฆ่าบุตรคนเดียวนั้นเล่าทุกุลและบัณฑิตกล่าวว่า บุตรที่น่ารักผู้เลี้ยงดูเราทั้งสองคนผู้ตาบอดในป่าเราได้มาโดยยากบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าไม่ควรโกรธในคนผู้มีบุตรคนเดียวนั้นลำดับนั้นพระเจ้าปิลยักษ์ตรัสปลอบโยนท่านทั้งสองนั้นว่าพระคุณท่านทั้งสองอย่าคร่ำครวญให้มากนักเพราะข้าพเจ้ากล่าวว่าสามขุ ม, มารถูกข้าพเจ้าฆ่าแล้วข้าพเจ้าจะทําการงานเลี้ยงดูพระคุณท่านทั้งสองในป่าใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะธนูเรื่องเลือว่าเป็นผู้มีความสามารถยิงธนูที่ต้องใช้กำลังคนถึงพันคนได้จะทำการงานเลี้ยงดูพระคุณท่านทั้งสองในป่าใหญ่ข้าพเจ้าจากสแสวงหาของที่เป็นเดนของฝูงเนื้อและมูลพลาผลในป่าจะทำการงานเลี้ยงดูพระคุณท่านทั้งสองในป่าใหญ่ดาบททั้งสองกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชนั่นมิใช่ธรรม ไม่สมควรในอัตมภาพทั้งสองพระองค์เป็นพระราชาของอัตมภาพทั้งสองอัตมภาพทั้งหลายขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระเจ้าปิลัยยักษ์ได้สดับดังนั้นทรงดีพระไทยอย่างยิ่งจึงตรัสว่าท่านผู้มีเชื้อชาติเป็นพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านได้ประพฤติอ่อนน้อมขอพระคุณท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแตนนางปาริกา ขอพระคุณท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าดาบททั้งสองนั้นประคองอัญเชลีกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้ากาสีอาตมภาพทั้งสองขอถวายบังคมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ประดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกาศีอาตมภาพทั้งหลายขอถวายบังคมแด่พระองค์อาตมภาพทั้งหลายขอประคองอัญเชลีแด่พระองค์ จนกว่าพระองค์ทรงพาอัตมภาพทั้งหลายไปให้ถึงสถานที่ซึ่งสามกุมารอยู่อัตมภาพทั้งสองเมื่อได้รูปคลำเท้าทั้งสองและใบหน้าอัน ง, งดงามของเขาจากทุบตีตนให้ถึงความตายพระเจ้าปินระยักษ์ได้ตรัสว่าสามกุมารถูกฆ่านอนตายอยู่เหมือนดวงจันทร์ตกดินในป่าที่กลืนกลนด้วยเนื้อร้ายเป็นป่าสูงปรากฏเหมือนอยู่ในอากาศ สามกุมารถูกฆ่านอนตายอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ตกดินในป่าที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายเป็นป่าสูงปรากฏเหมือนอยู่ในอากาศสามกุมารถูกฆ่านอนตายอยู่เปื้อนเปื้อด้วยฝุ่นในป่าที่เกลื่อนกลนด้วยเนื้อร้ายเป็นป่าสูงปรากฏเหมือนอยู่ในอากาศสามกุมารถูกฆ่านอนตายอยู่ในป่าที่เกลื่อนกลนด้วยเนื้อร้ายเป็นป่าสูงปรากฏเหมือนอยู่ในอากาศ ขอพระคุณท่านทั้งสองจงอยู่ในอาสมที่พักนี้เท่านั้นเถิดลำดับนั้นดาบด ท, ทั้งสองนั้นเมื่อแสดงว่าตนไม่กลัวต่อสัตว์ร้ายจึงกราบทูลว่าถ้าในป่านั้นจะมีเนื้อร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาภาพทั้งสองไม่มีความกลัวในสัตว์ร้ายทั้งหลายในป่าไหนๆเลยพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า ลำดับนั้นพระเจ้ากาสีทรงพาเรศีทั้งสองผู้ตาบอดไปในป่าใหญ่จูงมือเรศีทั้งสองไปในที่ที่สามกุมารถูกฆ่าแล้วดาวบททั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนคลุกฝุ่นถูกทิ้งไว้ในป่าใหญ่เหมือนดวงจันทร์ตกดินดาวบททั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนคลุกฝุ่นถูกทิ้งไว้ในป่าใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ตกดิน ดาบททั้งสองเห็นสามกุ ม, มารผู้เป็นบุตรนอนคลุกฝุ่นถูกทิ้งไว้ในป่าใหญ่ก็คร่ำครวญอย่างน่าสงสารดาบททั้งสองเห็นสามกุ ม, มารผู้เป็นบุตรนอนคลุกฝุ่นจึงประคองแขนทั้งสองข้างคร่ำครวญว่าชาวเราเอ๋ยได้ทราบว่าวันนี้ความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้มีรูปสง่าง า, ามเจ้าประมาทนักแล้ว ในวันนี้เมื่อการเวลาล่วงไปเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยลูกสามผู้มีรูปสง่างามเจ้าโง่ไปมากนักแล้วในวันนี้เมื่อการเวลาล่วงไปเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยลูกสามผู้มีรูปสง่างามเจ้าโกรธเคืองไปมากนักแล้วในวันนี้เมื่อการเวลาล่วงไปเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยลูกสามผู้มีรูปสง่างาม เจ้าเป็นผู้มักหลับไปมากนักแล้วในวันนี้เมื่อการเวลาล่วงไปเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยลูกสามผู้มีรูปสง่างามเจ้าช่างเป็นคนปราศจากน้ำใจจริงในวันนี้เมื่อการเวลาล่วงไปเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยลูกสามผู้บำรงเลี้ยงดูเราทั้งสองผูดตาบอดนี้มาตายเสียแล้วบัดนี้ใครเล่าจากชำระชดาที่หม่นมองเปื้อนฝุ่น ลูก3ผู้บำรุงเลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตาบอดนี้มาตายแล้วบัดนี้ใครเล่าจักจับไม้กวาดแล้วกวาดอาสมของเราทั้งสองลูก 3. ผู้บำรุงเลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตาบอดนี้มาตายแล้วบัดนี้ใครเล่าจะนาน้าเย็นน้ำร้อนมาให้เราทั้งสองอาบลูก 3. ผู้บำรุงเลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตาบอดนี้มาตายแล้ว บัดนี้ใครเล่าจะให้เราทั้งสองบริโภคมูลพลาผลไม้ในป่ามารดาได้เห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรล้มคลุกฝุ่นอยู่เป็นผู้อึดอัดเพราะความโศกถึงบุตรจึงได้กล่าวสัจจวาจาว่าลูกสามนี้ได้เคยมีปกติประพฤติ ธ, ธรรมมาก่อนด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้มีปกติประพฤติพรหมจรรย์มาก่อน ด้วยสัจจวาจานี้คอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้ได้เคยมีปกติกล่าวคำสัตมก่อนด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้ได้เป็นผู้เลี้ยงมารดาและปิดาด้วยสัจจวาจานี้คอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้ได้เป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ด้วยสัจจวาจานี้คอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจจวาจานี้คอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามทำแล้วแก่เราและบิดาของเขาด้วยกุศล น, นั้นทั้งหมดคอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปบิดาได้เห็นสามกุ ม, มารผู้เป็นบุตรล้มคลุกฝุ่นอยู่ เป็นผู้อึดอัดเพราะความโศกถึงบุตรจึงได้กล่าวสัจจาวาจาว่าลูกสามนี้ได้เคยเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมมาก่อนด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้มีปกติประพฤติพรหมจรรย์มาก่อนด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้มีปกติกล่าวคำสัตย์มาก่อน ด้วยสัจจาวาจานี้คอพิษ ข, ของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้ได้เป็นผู้เลี้ยงมารดาและปิดาด้วยสัจจวาจานี้คอพิษ ข, ของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้ได้เป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกลูลด้วยสัจจวาจา น, นี้คอพิษ ข, ของลูกสามจงเสื่อมหายไปลูกสามนี้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเรา ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามทำแล้วแก่เราและมารดาของเขาด้วยกุศลนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามจงเสื่อมหายไปนางเทพธิดาที่ภูเขาคันธมาสนั้นได้อันตรธานไปด้วยความอนุเคราะห์สามกุมารจึงได้กล่าวสัจจวาจานี้ว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาสมานาน ไม่มีคนอื่นจะเป็นใครก็ตามเป็นที่รักของเรายิ่ยงกว่าสามกุมารด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของสามกุมารจงเสื่อมหายไปต้นไม้ทั้งหมดที่ภูเขาคันดามาตรล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจจวาจานี้คอพิษของสามกุมารจงเสื่อมหายไปเมื่อดาวบด ท, ทั้งสองกำลังบ่นพร่ำรำพันอย่างน่าสงสารเป็นอันมาก สามขุมานผู้ยังเป็นหนุ่มแน่นมีรูปสง่างามก็ได้ลุกขึ้นทันทีลำดับนั้นสุวรรณสามโพธิสัตว์ได้กล่าวกับท่านเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชื่อว่าสามขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าลุกขึ้นได้แล้วเดี๋ยความสวัสดีขอท่านทั้งหลายจงอย่าคร่ำครวญไปนักเลยจงพูดกับข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเถิดลำดับนั้น สวรนสามโพธิสัตว์เห็นพระราชาจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้เสด็จมาดีแล้วมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้เป็นใหญ่เสด็จมาถึงแล้วขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้เถิดข้าแต่พระราชาขอเชิญเลือกเสวยผลมะพร้ผลมะซางและผลหมากเม่าซึ่งเป็นผลไม้เล็กน้อยแต่ผลที่ดีดีเถิด น้ำใสยเย็นข้าพระองค์ตักมาจากซอกเขาก็มีอยู่จงโปรดเสวยจากที่นั้นเถิดพระเจ้าค่าถ้าพระองค์ทรงพระประสงค์พระเจ้าบินละยักษ์ทรงเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้วจึงตรัสว่าเรางุนงงไปหมดหลงไปทั่วทุกทิศเราได้เห็นสามตายไปแล้วท่านสามทำไมหนอท่านจึงกลับฟื้นชีวิตคืนมาได้สุวรรณสามโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่มหาราช บุรุษผู้มีชีวิตอยู่แต่มีเวทนามากปราศจากความรู้สึกแม้ยังมีชีวิตอยู่ชาวโลกก็เข้าใจว่าตายแล้วข้าแต่มหาราชบุรุษผู้มีชีวิตอยู่แต่มีเวทนามากถึงความดับสนิทแม้ยังมีชีวิตอยู่ชาวโลกก็เข้าใจว่าตายแล้วสุวรรณสามโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่พระเจ้าปินละยักษ์ว่าบุคคลใดเลี้ยงดูมารดาและบิดาโดยธรรม แม้เทวดาก็าเยียวยารักษาบุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดานั้นบุคคลใดเลี้ยงดูมารดาและบิดาโดยธรรมแม้นักปราทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้บุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระเจ้าปิรยักษ์ได้สดับดังนั้นทรงประคองอัญเชลีขอร้องอยู่ว่าเรายิ่งงุนงงหนักขึ้นหลงไปทั่วทุกทิศ ท่านสามเราขอถึงท่านว่าเป็นที่พึ่งและท่านก็จงเป็นที่พึ่งของเราสุวรรณสามโพธิสัตว์กล่าวทศพิต ร, รราชธรรมถวายว่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพระมารดาและพระบิดาเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจกเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระโอรสและพระมเหสีเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในมิตรและอมมาเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในภาณะและพลนิการเถิด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 จากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในสมณะและพราหม์เถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในฝูงเนื้อและฝูงนกเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดทำที่พระองค์ทรงประพฤติแล้วย่อมนำสุขมาให้ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรำในโลกนี้แล้วจากเสด็จไปสู่สวรรค์พระเจ้าค่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดพระอินทเทวดาพร้อมทั้งพรหมเข้าถึงทิพยสถานได้เพราะธทำที่ประพฤติดีแล้วขอพระองค์อย่าทรงประมาธทธรรมเลย สุวรรณาสามชาดกที่สจบ